การละเว้นจากการทำบาปเรียกว่าศีลในพระพุทธศาสนามีศีลอยู่ห้าชนิดด้วยกันหรือห้าระดับตามกำลังตามความสามารถของผู้ที่จะรักษาจะสามารถรักษาได้ ขันแรกคือขั้นสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วๆไปก็คือศีลห้าใครเป็นชาวพุทธใครถือตอนเองว่าพุทธศาส น, นิกชนมีหน้าที่คือต้องรักษาศีลห้าและถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นครูเป็นอาจารย์ ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคําสอนของพระอริยสงสาวกพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกก็จะสอนให้ผู้ครองเรือนเริ่มต้นที่การรักษาศี่ห้าพราะการรักษาศี่ห้าจะป้องกันภัย เป็นเหมือนซื้อประกันภัยภัยที่จะมากระทบกับจิตใจคือการต้องไปติดคุกติดตารางในอบายนั่นเองถ้าถือศีห้าได้ตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรชาญไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรก อันนี่คือศีลชี้นิดที่หนึ่งเรียกว่าศีลห้าศีลของพุทธศาส น, นิกชนถ้าใครถือว่าตนเป็นชาวพุทธแต่ไม่รักษาศีลห้าก็ถือว่าไม่ใช่เป็นพุทธแท้ยังเป็นพุทธเทียมอยู่ถ้าเป็นแบงก์ก็เป็นแบงก์เกอไปซื้อของไม่ได้ ไปซื้อของเขาก็ไม่รับเพราะรู้ว่าเป็นแบงเกเป็นชาวพุทธแล้วไม่รักษาศีลห้าอบายเขาก็ยินดีต้อนรับตัวอบายก็จะเปิดรับถ้าไม่รักษาศีลห้าอันนี้คือศีลชนิดแรกคือศีลห้าได้แก่การละเว้นจากการฆ่าสัตว์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 ศีลแปดนี้สําหรับผู้ที่ต้องการที่จะนอกจากปิดประตูบายแล้วต้องการที่จะขึ้นสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพจําเป็นที่จะต้องรักษาศีลแปดศีลแปนี้ก็สําหรับผู้คลองเรือน ที่ถ้าถือศีลแปถ้าเป็นหญิงก็เรียกว่าอุบาสิกาถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าอุบาสกอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้คองเรือนเคยถือศีลห้าอยู่เป็นปกติแล้วเห็นคุณค่าของการรักษาศีลว่าทำให้เรื่องราววุ่นวายต่างๆน้อยลงไปความทุก ความเดือดร้อนน้อยลงไปก็เลยอยากจะเพิ่มศีลขึ้นไปอีกสามข้ อ, อเพื่อที่จะได้ใช้ศีลนี้มาเป็นเครื่องส่งให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมต่อไปอใครต้องการไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมต้องถือศีลแปด ขึ้นไปนะสวรรค์ชั้นพรม ห, หรือสวรรค์พระอริยะเจ้าสวรรค์ของชั้นของพระโสดาบันชั้นของพระสกิรดาคามีพระอนาคามีพระอระหันต้องถือศีลแปดเป็นอย่างน้อยถ้าเป็นผู้กองเรือนก็ถือศีลแปด ในเบื้องต้นก็จะมาหัดถือศีลแปดในวันพระกันเพราะวันอื่นไม่สะดวกวันอื่นต้องไปทำงานทำมาหากินจะรักษาศีลแปดนี่จะยากเพราะต้องอยู่ที่บ้านผู้ที่ถือศีลแปดมักจะไปอยู่ที่วัดกันเพราะที่วัดเป็นที่เหมาะสมกับการรักษาศีลแปด พอทีวัดนี้มีแต่ผู้ที่รักษาศีลแปดขึ้นไปก็จะไปลองรักษาศีลแปดในวันพระดูก่อนถ้ารักษาแล้วเห็นว่ามีคนมีประโยชน์กับจิตใจก็อาจจะเพิ่มวันจากวันพระเป็นวันโกนด้วยเพิ่มสองวันแล้วอาจจะเพิ่มเป็นสามวัน วันโกนวันพระวันหลังวันพระไปติดกันสามวันนต่ออาทิตย์เพราะนอกจากการถือศีลแปะแล้วผู้ที่ต้องการที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นสูงนี้จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติธรรมนั่นเองต้องมีการฝึกจิตตภาวนากวบคุมจิตใจให้สงบแล้วสอนจิตใจให้ฉลาด ถึงจะสามารถที่จะดึงจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นอริยบุคคลได้นี่คือสีล8มีเพิ่มอีกสามข้อข้อที่สมของสีห้าก็จะเปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกัน เรียกว่าอ布รมจาริยาเวรามนีคือถือถือความประพฤติของพรมนั่นเองพรมนี้จะไม่มีการหาความสุขทางกรรมไม่มีการหาความสุขจากร่วมหลับนอนกันเราก็เพิ่มศินข้อหคือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว เพราะมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งจะทำให้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาอาหารกินอยู่เรื่อยๆสองจะได้มีเวลาไปฝึกจิตตภาวนะถ้ามัวแต่มาคิดถึงเรื่องกินอยู่ทั้งวันทั้งคืนจะไม่ค่อยมีเวลาไปฝึกจิตตภาวนาะ และเวลาฝึกก็จะง่วงเหงาหานอนเกียจค้านเพราะจะรับประทานอาหารมากเกินไปจะทำให้หนังท้องตึงหนังตาจะหย่อนพอหนังเท้าหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนตาก็มักจะหลับเวลานั่งสมาธิก็จะสับประงกนี่คือประโยชน์ของการรักษาศีลข้อหก แล้วก็ให้รักษาศีลข้อเจคือไม่หาความสุขจากการดูมหรสพบันเทิงไม่หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสือ้อผ้าอ่อนสีฉูดฉาดไม่ได้เสริมความงามที่หน้าตาหรือทรงผมเพราะ เป็นความสุขแบบฉาบช่วยเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขประเดียวประดาาเดี๋ยวเวลานอนหน้าตาก็เยเกเติ่นขึ้นมาก็ไม่น่าดูให้มาเสริมความสวยงามทางจิตใจดีกว่าด้วยการมาฝึกจิตตะภาวนาทำจิตใจให้สงบ จิตสงบแล้วจะมีความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาอยู่ที่ไหนกับใครก็จะมีคนรักคนชอบคนที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นคนที่ยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเวลาที่ผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนคนที่จะให้กาลังใจต่อผู้อื่นเวลาที่ได้รับรางวัลหรือได้รับ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับความสุขจะไม่อิจฉาริษยาจ ะ, สะแสดงความยินดีมุทิตาจิตแล้วก็เวลามีอารมณ์ไม่ดีก็จะข่มใจด้วยอุเบกขาจะไม่ระบายความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาจะไม่ทำให้ผู้อื่นเขาลำคาญเดือดร้อนใจแต่อย่างใด นี่คือความสวยงามที่แท้จริงต้องสวยงามทางใจสวยงามด้วยพรหมวิหารสี่ผู้ที่ฝึกจิตทำจิตให้สงบได้เข้าสมาธิเข้าฌานได้ก็จะถือว่าเป็นพรหมพรหมก็มีคุณสมบัติสี่ประการนี้คือมีความเมตตากรุณามุดิตาโอเบคา นี่คือศีลข้อที่7คือละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายละเว้นจากการเสรมสวยความงามของทางของทางร่างกายแล้วก็ถือศีลข้อที่8ข้อที่8ก็คือไม่หลับนอนมากจนเกินไปหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกาย แต่ไม่หาความสุขจากการหลับนอนเอาเวลามาหาความสุขจากการมาฝึกจิตทาจิตให้สงบจะดีกว่าเพราะความสุขที่ได้จากการฝึกจิตนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆ น, น, น, น, นอนนานๆสู้นอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่อ เพื่อที่จะได้ไม่หลับนอนมากเกินไปเวลาร่างกายง่วงนอนนอนบนพื้นแข็งแข็งก็หลับแต่จะไม่นอนนานพอได้พักผ่อนพอเพียงก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะไม่สบายนอนบนพื้นแข็งแข็งก็เลยถูกบังคับให้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาหาความสุขจากการ ปฏิบัติจิตตภาวนาแทนดีกว่านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนอนหลับแล้วพอร่างกายพักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกเพราะมันสบายนอนต่ออีกหาความสุขจากการนอนต่ออีกก็จะไม่มีเวลาไปฝึกจิตตภาวนาวนี่คือหน้าที่ของการถือศีลแปด เพื่อที่จะส่งเสริมจิตใจให้เข้าสู่การปฏิบัติจิตตะภาวนานั่นเองผู้ที่ต้องการที่จะฝึกจิตยกระดับจิตจากคนธรรมดาให้ไปสู่พรมสู่ปอัรียบุคคลจำเป็นจะต้องมีศีลแปดเป็นผู้สนับสนุน น, นี่คือศีลชนิดที่สอง สีนชนิดที่3ก็คือศีสิบสีสิบก็มก็คือศีแปดบวกหนึ่ไมถึงเรียกว่าศีแปดบวกห็เพราะว่าศีแปจริงๆมันเป็นศีเก้แต่พอมาทําให้เป็นศีแปดเขาก็เลยเอาศีข้อ7นี้ที่เป็นศีข้อ7กับข้อ8มารวมกันเป็นศีข้อ7 สีลข้อ7ในสีลแปนี้มีสองคือการไม่หาความสุขจากการดูมหรศพบันเทิงอันนี้เป็นข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งในสีลสิบก็คือการไม่เสริมสวยความงามทางร่างกายนนความจริงถือสิอนแปนี้ความจริงเป็นสีลเกแต่เขาคงไม่ชอบเลขเก้ามันเขาก็เลยให้รวมกัน ให้เป็นเลข8เหมือนมรค8ปดก็เลยสีนแความจริงก็เป็นสีลเกเพราะั้นผู้ที่จะถือสินสิก็เพิ่มอีกข้อหนึ่งอีกอีกข้อหนึ่งก็คือการไม่จับต้องเงินทองอไม่พกพาเงินทองไม่ครอบครองเงินทองไม่ใช้จ่ายเงินทองด้วยตนเองเอสีนนี้ก็จะเหมาะกับ ส ม, มเณรใครบวชเนนี้จะต้องถือศีลสิบกันก่อนเป็นสา ม, มเณนหรือพวกแม่ชีแม่ชีมีสองแบบด้วยกันแม่ชีบ้านกับแม่ชีวัดถ้าแม่ชีวัดนี้จะถือศีลสิบเพราะไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินทองอยู่วัดก็มีข้าวของวัดกินนี่ที่อยู่อาศัย ไม่ต้องกังวลกับเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆเป็นเหมือนเป็นเหมือนนักบวชเป็นเหมือนพระภิกษุก็ถือศีลสิบกันแต่ถ้าเป็นชีบ้านคือชีที่ยังอยู่บ้านอยู่ล่องนี้ยังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟจะมีค่าใช้ใจ่ายต้องไปซื้อกับข้าวกับปลามาทำอาหารเอง ที่บ้านก็ยังถือศีลสิบไม่ได้ก็ถือศีล8แทนนะนี่คือศีลศีล8กับศีลสิบเป็นเหมือนกันต่างกันตรงที่ศีลสิบเพิ่มข้อไม่จับต้องเงินทองไม่ครอบครองเงินทองไม่ใช้จ่ายเงินทองด้วยตนเองถ้าต้องการจะใช้จ่ายอะไรให้ผู้อื่นเอาเงินทองที่ ได้มาให้เขาเก็บเอาไว้แล้วถ้าต้องการอะไรก็ให้เขาไปจัดซื้อมาให้จะไม่ไปตามศูนย์การค้าไปเลือกซื้อข้าวของกันเองต้องการอะไรก็ฝากญาติโยมผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะรับใช้ช่วยเหลือมาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เขาช่วยไปจัดการหามาให้ นี่คือศีลสินสนะเป็นศีลชนิดที่สศีลชนิดที่สก็คือศีล2อรข้ออันนี้คือศีลของพระนี่เองพระภิกษุทุกรูปที่มาบวชนี้จำเป็นจะต้องถือศีล2องร้อยดข้อด้วยกั น, น, นมีศีลที่หนักที่เบาต่างกันมีศีลบางอย่างนี่ ลงอาบัตได้คือสารภาพบาปแล้วก็สามารถที่จะไม่ถูกลงโทษได้แต่มีศีลที่พระภิกษุนี้ล้างไม่ได้หรื อ, อทำให้ไม่เกิดโทษไม่ได้ก็คือปาราชิกศีลศีลที่พระขาดไม่ได้เป็นอนขาด คือปาราชิกสีได้ แ, แก่หนึ่งการฆ่ามนุษย์สองการเสพเมทุนคือการล่วงรอบนอนกับผู้อื่นสามการลักทรัพย์และสี่การอวดอดุตริคุนวิเศษที่ไม่มีในตนเองถ้ากระทำบาปข้อใดข้อหนึ่งในสี่ข้อนี้ ก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีไม่ว่าจะมีใครรู้หรือไม่ก็ตามถือว่าไม่ใช่เป็นพระแล้วเป็นเหมือนต้นตาลที่ยอดตาลมันด้วนจะไม่มีวันที่จะเจริญงอกงามต่อไปได้จะไม่สามารถที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้ผู้ที่กระทำบาปปาราชิกษีนี่ ส่วนศีลก็อื่นนี้ก็จะเป็นระเบียบมากกว่าคือข้อปฏิบัติที่ให้ดูแล้วสวยงามไม่น่ารังเกียจเพราะพระนี้เป็นผู้ที่อยู่ได้ด้วยการสนับสนุนของผู้มีจิตศรัทธาถ้าไปประพฤติตนเองดูไม่สวยไม่งามไม่น่าเคารพนับถือก็จะเสื่อมผู้มีจิตศรัทธาก็จะเสื่อมศรัทธาได้ แล้วก็จะไม่สนับสนุนอันนี้พระพุทธเจ้าเลยต้องกำหนดศีลต่างๆขึ้นมาความจริงสมัยแรกๆสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนแล้วมีผู้บรรลุฟังเทศฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเป็นจำนวนมากพอบรรลุแล้วเขาก็ขอบวชเป็นพระภิกษุใน ปวันพระพุทธศาสนาถือพระพุทธเจ้าเป็นจรรยาเป็นที่เบื้องเป็นครูเป็นอาจารย์แต่พระเหล่านี้เขาเป็นพระอาหารหันต์เขามีความประพฤติเรียบร้อยดีงามเลยไม่มีศีลแม้แต่ข้อเดียวในยุคแรกๆไม่มีการกําหนดศีลของพระขึ้นมาเพราะว่าไม่มีใครทําผิดนั่นเองต่อมา เมื่อมีคนรู้จักพระพุทธศาสนามากขึ้นแล้วก็มีความศรัทธาอยากจะบวชมากขึ้นพวกที่มาบวชในยุคหลังๆนี้ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลยังเป็นกิมีเป็นปุถุชนที่มีกิเลสอยู่ในใจที่มักจะทำอะไรเสียหายได้ง่ายพอมาบวชก็เลยไม่รู้ว่า เป็นพระนี้จะต้องเป็นอย่างไรบางทีก็ไปทำผิดพอมีคนมาแจ้งให้พระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้าก็ไต่สวนเป็นเหมือนศาลพอรู้ว่าทำไม่ถูกพระพุทธเจ้าก็กำหนดห้ามขึ้นมาเช่นมีข้อที่หนึ่งการไปร่วมหลับนอนกับศีการนี่ก็มีอยู่มีชายคนหนึ่ง ตอนที่เป็นคาลาวาดก็มีภรรยาเป็นลูกของเศรษฐีแต่พอได้พบกับพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาขอบวชเป็นพระที่พอบวชเป็นพระแล้วพ่อแม่ก็กังวลเพราะมีลูกชายคนเดียวไม่มีลูกมีหลานที่จะมาสืบทอดสมบัติก็เลยขอร้องให้พระไปนอนกับภรรยาซึ่ง เป็นภรรยาก่อนบวชนั่นเองก็คงจะถือว่าทางโลกไม่ไม่เสียหายตรงไหนเพราะเป็นสามีภรรยากันพระก็เก่งใจพ่อแม่พ่อแม่ขอร้องอยากจะได้หลานมารับมรดกต่อไปก็ไปร่วมหลับนอนกับภรรยาของตนอดีตภรรยาของตนแต่พอหลังจากทำไปแล้วใจก็เศร้าหมอง มีความไม่สบายใจก็เลยไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกพระพุทธเจ้าบอกเป็นพระแล้วทำอย่างนี้ไม่ได้พระไม่หาความสุขจากการไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครพระนี้มีหน้าที่มาหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบ ถ้ายังไปหมกมุ่นอยู่กับการเสพการอยู่จะไม่สามารถทำจิตใจให้สงบได้นั่นเองพระพุทธเจ้าก็เลยบำก็เลยบัญญัติสีลข้อที่หนึ่งขึ้นมาห้ามเสพเมถุนห้ามร่วมหลับนอนกันอันนี้แล้วต่อมาก็มีพระพิเรนก็ท่านห้ามร่วม หลับนอนกับมนุษย์แต่ท่านไม่ได้ห้ามรวบหลับนอนกับเดรัจฉานอก็เลยไปเสพเมถุนกับลิงมั่ง อ, อพอทราบข่าวพระพุทธเจ้าทราบข่าวก็ต้องห้ามอีกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานก็ไม่ได้อันนี้คือความเป็นมาของศีลของพระสองอยิบเจ็ดข้อนี้มันเกิดขึ้นมาทีละข้อสองข้ อ, อะ เวลาพระไปทาอะไรแล้วชาวบ้านเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าทราบเข้าก็เลยต้องห้ามขึ้นมาห้ามมาเรื่อยๆตอนต้นก็หนึ่งข้อสองข้อตอนที่พระพุทธเจ้าจะตายนี่สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนะถ้าอยู่จนถึงปัจจุบันนี้อาจจะมากกว่า227ข้ออีกก็ได้เพราะมี มีการกระทำของพระที่ญาติโ ย, ยมบ่นกันเยอะแยะสมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตั้งมามากำหนดศีลของพระก็เลยอยู่แค่227ร้ถ้าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้สงบัญนิยมศีลเพิ่มขึ้นได้ก็คิดว่าคงจะมีมากกว่าที่มีอยู่2องข้ออันนี้เกิดจากการกระทําที่ไม่เหมาะสมไม่สวยงาม ของพระคือศีลนี้มีหน้าที่อย่างนี้ท่านบอกว่าการที่มีศีลนี้เพื่อส่งเสริมศรัทธาในผู้ที่ไม่มีศรัทธาให้เกิดขึ้นผู้ที่ไม่มีศรัทธาพอเห็นพระประพุติตนได้สวยงามไม่มีที่ตําหนิติเตียนเห็นแล้วก็ที่จะอดศรัทธาเลื่อมใสไม่ได้นี่หน้าที่ของศีลข้อที่หนึ่งส่งเสริมศรัทธา ในในผู้ที่ไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาขึ้นมาสองอรักษาศรัทธาของผู้ที่มีศรัทธาแล้วไม่ให้หดหายไปผู้ที่มีศรัทธาในพระสงค์ถ้ายังเห็นพระสงค์ปฏิบัติตนปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบอยู่ก็ยังจะมีศรัทธาต่อพระสงค์ต่อไปเห็นการกระทำอะไรก็ตามของพระสงค์ที่จะทาให ผู้ที่ไม่มีศรัทธาไม่เกิดศรัทธาหรือผู้ที่มีศรัทธาเสื่อมศรัทธาการกระทำเหล่านั้นก็ต้องถูกละงับไปนี่คือเรื่องของศีลของพระเนี่ยเป็นชนิดที่สมี227 20ข้อศีลชนิดที่ห1 2หนึ่งสองสสี่ห้าคือศีลของภิกษุณีภิกษุณีก็คือ พระที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงสมัยก่อนสมัยพระพุทธกาลนี่ผู้หญิงนี่บวชเป็นพระได้ไม่ต้องบวชชีมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาแต่ภิกษุณีนี้อยู่ได้ไม่ถึงประมาณอยู่ได้ประมาณหนึ่งพันปีพอหลังจากนั้นแล้วไม่มีใครมาบวชต่อภิกษุณีก็เลยหดไปหายไป แต่ยังมีอยู่อีกสายหนึ่งที่เรียกว่าสายมหายานศาสนาพุทธนี้กระจายไปเผยแผ่ธรรมมาไปสองทางด้วยกันของประเทศอินเดียหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปแล้วพระสงฆ์ฝ่ายหนึ่งก็ขึ้นไปเผยแผ่ธรรมทางภาคเหนือทาง ทางภาคเหนือประเทศที่เหนือของอินเดียขึ้นไปก็คือประเทศเนปาลทิเบตภูฐานประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นนี่เขาเรียกว่าสายมหายานส่วนสระสายที่มาประเทศไทยนี้เรียกว่าสายเถรวาทสายนี้จะลงมาทางใต้จะมาทางศรีลังกามาทางพมา่ามาทางประเทศไทย มาทางขเขมร ล, ลาวอันนี้เป็นสายเทรวาสสำหรับสายเทรวาสนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วเพราะไม่มีผู้หญิงมาบวชไม่มีผู้หญิงมาสมัครบวชเป็นภิกษุณีพอไม่มีภิกษุณีเหลืออยู่จะมาสมัครบวชก็ไม่มีใครบวชให้เพราะการจะบวชเป็นภิกษุหรือภิกษุณีนี้ต้องมีภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์ ก็คือต้องมีพระสงฆ์หรือพระภิกษุณีเป็นผู้บวชให้เดี๋อยู่ดีๆจะมานุ่งผ้าแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ดิฉันขอเป็นภิกษุณีขึ้นมาเองนี้ทำไม่ได้เพราะไม่มีใครสอนวิธีเป็นภิกษุณีว่าเป็นอย่างไรภิกษุณีเขาอยู่กันอย่างไรนี่ไม่มีใครสอนได้นอกจากภิกษุณีภิกษุพระภิกษุก็สอนไม่ได้เพราะพระภิกษุเป็นผู้ชายสอนได้แต่พวกผู้ชาย แต่พวกผู้หญิงนี้เขาก็มีข้อห้ามพิเศษของพวกผู้หญิงเขาต้องเป็นมีภิกษุณีถึงจะสอนได้ว่าวิธีที่จะเป็นภิกษุณีที่ถูกต้องนั้นทำได้อย่างไร<ม>ก็เลยไม่มีภิกษุณีในสายเทรวานมาเป็นเวลาพันสองพันกว่าพันกว่าปีมาแล้ว ภิกษุณีนี้ก็มีศีลมากกว่าพระด้วยพระมีแค่สองรอยิบเจ็ดภิกษุณีมีต้องสามร้อยสิบเอ็ดข้อสแสดงว่าผู้หญิงนี่เกเรมากกว่าผู้ชายนี่ น, นี่คือเรื่องของศีลต่างๆของพระพุทธศาสนา แต่ศีลตัวเดียวไม่ได้เป็นตัวที่จะมากําหนดว่าจะไปเป็นพระพรหมได้หรือไม่เอผู้ที่อยากจะเป็นพุทสิทธิคิดว่าถ้าจะไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยะบุคคลต้องเป็นภิกษุณีอ น, นี้ไม่จําเป็นอถือศีลแปดก็ไปได้ศีลแปดนี้ก็สามารถส่งให้ผู้ที่ให้ผู้หญิงที่ต้องการไปนิพพานไปนิพพานได้ ไม่จำเป็นจะต้องมีศีลสองสข้อด้วยกันแต่ศีลข้อใหญ่ๆนี้มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของพระของภิกษุนีหรือของ อ, อ, ขอุบาสิกาก็คือเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัรพย์ไม่ประพฤติผิดไม่ประพฤติไม่เสพกามแล้วก็ไม่โกหกหลอกลวง อันนี้มีอยู่ในทุกศีนสีห้าก็มีสีแปดก็มีสีสิบก็มีสีสอง7้อยยิบเจ็ดก็มีสีสามรอยสิบเอ็ดข้อก็มีดังนั้นถ้าไม่มีต่อไปสมมติว่าถ้าไม่ไม่มีพิกษุสองอยู่แล้วจะบวชพระก็บวชไม่ได้ก็ยังสามารถถือศีนแปดปฏิบัติทมเจริญสติสมาธิปัญญาได้ต่อไป ยังสามารถที่จะไปถึงพระนิพพานได้แต่อาจจะยากขึ้นเพราะว่าไม่มีคนรู้ทางมาคอยบอกอาจจะต้องคลาทางไปเองอาศัยหนังสืออาศัยคําสอนที่มีการจดบันทึกเอาไว้แต่ก็สู้เรียนจากปากไม่ได้เรียนจากปากของคนที่รู้จริงเห็นจริงจะไปได้ง่ายกว่า ผูที่รู้จริงเห็นจริงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระกันเป็นพระภิกษุกันถ้ามีภิกษุณีก็จะมีพระภิกษุณีเป็นผู้สั่งสอน น, นี่คือเรื่องของศีลที่มีอยู่ห้าชนิดนี้ไม่ถ้าเป็นสุภาพสตีเป็นหญิงแล้วอยากจะบวชก็ไม่ต้องเสียใจถ้าไม่ได้บวชเป็นภิกษุณี บวชเป็นแม่ชีก็เป็นนักบวชเหมือนกันสามารถที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เหมือนกันสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันในปัจจุบันนี้ไม่ทราบแม่ชีญาติโยมที่มาอยู่วัดเคยไปดูพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไหมะจะมีมีหุ่นขี้ผึ้งของแม่ชีหนึ่งคนกับอุบาสิกาหนึ่งคนแม่ชีก็ชื่อแม่ชีแก้วเอ อุบาสิกาก็ชื่อกอเขาสวนหลวงทั้งสอนท่านนี้ก็มีคนเชื่อว่าท่านได้เป็นพระอารหันต์ท่านได้บรรลุถึงพระนิพพานเพราะการปฏิบัติของท่านนี้เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคําสั่งคําสอนของท่านก็เป็นคําส่งคําสอนที่ตรงกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ ไม่มีการขัดต่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยไม่ทราบว่ากระดูกของท่านเป็นพระาธาตุหรือเปล่าได้ยินว่าของแม่ชีแก้วเป็นเพราะเขาสร้างพระเจดีย์ไวบ้บรรจุแม่ชีแก้วนี่เป็นชาวนาครพนมอยู่ที่นครพนมเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นตอนที่เป็นสาวนี่หลวงปู่มั่นเคยไปทุดง ที่หมู่บ้านของเธอเธอเลยได้ยินได้ฟังธรรมของหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นสอนให้พุทโธพุทโธเธอก็ลองไปฝึกพุทโธพุทโธดูพอนั่งครั้งแรกหานาทีจิตของท่านก็รวมเข้าสู่ความสงบเล้วจิตของท่านเป็นจิตแบบผาดโผนคือไม่อยู่นิ่งๆเป็นเหมือนพวกลิงฮะ พอสงบในอัปปนาแล้วก็ออกไปทางอุปจาระไปรู้เรื่องของพวกดวงวิญญาณต่างๆติดต่อกับคนตายได้ <c oughs> หลวงปู่มั่นตอนต้นก็บอกว่าอย่าพึ่งไปปฏิบัติไปในทางนั้นให้ทาจิตให้สงบอย่างเดียวก่อนตอนที่หลวงปู่มั่นจากหมู่บ้านไปตอนนั้นเธอยังเป็นสาวอยู่อายุสิบกบ ว, บว่าขวบมั้งหลวงปู่บอกตอนนี้เธออย่าพิ่งทา จิตของเธอนี้ต้องมีคนคอยกากับคอยคอยดูแลคอยสั่งสอนถ้าปฏิบัติไปเองเดี๋ยวจะหลงทางได้ต่อมาพอเธอโตขึ้นเธอก็เลยบวชเป็นชีแล้วก็ศึกษากับหลวงปู่มั่นจนหลวงปู่มั่นเสียชีวิตไปหลังจากนั้นก็ไปศึกษากับหลวงตามหาบัวต่อจนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูง นี่นี่เป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่ต้องการที่จะไปนิพพานอย่าไปคิดถึงการเป็นภิกษุณีการเป็นภิกษุณีนี้ไม่ได้เป็นนิไม่ได้ไปนิพพานถ้าเป็นภิกษุณีแล้วเป็นภิกษุเป็นไปนิพพานปัานิภิกษุทุกรูปในประเทศไทยก็ไปนิพพานกันหมดแล้วอันนี้เป็นเพียงแต่องค์ประกอบเป็นส่วนที่จะ ส่งเสริมให้ไปนิพพานเป็นเครื่องมือแต่ไม่เป็นใช่ไม่เป็นเครื่องมือชนิดเดียวไม่ได้เป็นภิกษุณีเป็นอุบาสิกาก็ได้ถือศินแปดถือศินสิบก็ได้เหมือนกันถ้าถือศินสิบก็จะเข่งกว่าถือสินแปดเพราะศีลแปดยังจับต้องเงินทองได้ถ้าถือศินสิบก็จะไม่จับต้องเงินทองจะไม่ใช้เงินใช้ทอง ถ้าต้องการอะไรก็บอกลูกศิษย์ที่เขาปราณาตัวหรือเขาฝากเงินไว้ให้กับผู้ที่ไผู้ที่ไว้ใจได้พอขาดเหลืออะไรก็บอกผู้ที่เขาเก็บเงินเก็บทองให้ให้ไปจัดหาซื้อมาให้นะศีลนี้เป็นบันไดขั้นที่หนึ่งที่จะพาให้ไปสู่บันไดขั้นที่สองในการที่จะก้าวขึ้นสู่พระนิพพาน เมื่อรักษาศีลได้แล้วก็จะมีเวลามาเจริญสตินั่นเองถ้ายังรักษาศีลไม่ได้เดี๋ยวก็อดไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ได้อดไปดูหนังดูละครไม่ได้อดไปฟังเพลงไม่ได้อดไปกินเลี้ยงไปงานวันเกิดงานอะไรต่างๆไม่ได้งานแต่งงานเดี๋ยวเพื่อนแต่งงานเดี๋ยวไม่ไปก็จะก็จะถูกเขาว่าแต่ความจริง เขาว่าไม่เท่าไหร่แต่ตัวมันอยากจะไปอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยอ้างว่าจะกลัวเขาว่าแต่ความจริงถ้ามันไม่อยากไปจริงๆต่อให้ช้างมาฉุดก็ไม่ไปแต่มันความอยากมันมีอยู่แล้วมันก็เลยหาช่องว่างหาช่องโว่ว่าโอยถ้าไม่ไปเดี๋ยวเขาจะว่าเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนแต่งงานแล้วไม่ไปอันนี้ถ้าถือศีลแปก็บอกเขาได้ถือศีลสิบก็บอกเขาได้ว่า ไปไม่ได้นะเดีย๋ยวนี้เป็นแม่ชีถือศีลแถือศีลสิบแล้วแต่ก็อวยพรให้ขอใหอ้มีความสุขอะไรก็ทาได้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปงานเลี้ยงกับของเข า, เาการแสดงความชื่นชมยินดีนี้สามารถทำได้ด้วยการอาบอกกล่าวก็ได้ไม่ต้องไปด้วยตัวเองก็ได้แต่ถ้าใจยังมีกิเลสมีความอยาก อยากกินอยากเที่ยวอยากดื่มอยากอะไรอยู่พอมีงานอะไรขึ้นมานี่มือไม้สั่นและใจสั่น <c oughs> ต้องเตรียมหาเสื้อผ้ากันแล้วจะใส่ชุดหนงชุดไหนดี <c oughs> นี่คือแต่ถ้าถือศีลแปดมันก็มันก็กระจัดปัญหาเหล่านี้ไปทันทีก็ไปไม่ได้แนละ้วไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเตรียมชุดให้เสียเวลา <c oughs> เพราะเรามีชุดขาวชุดเดียว เราโกนศีรษะแล้วยิ่งถ้าเป็นชีก็โกนศีรษะก็ไม่ต้องไปเราไปหาความสุขของเราดีกว่าเราไปฝึกสตินั่งสมาธิดีกว่าไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาดีกว่าอ่นี่คือศีลเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งที่จะทำให้เรานี้มีเวลามาปฏิบัติธรรมทําขั้นแรกที่เราต้องปฏิบัติก็คือสตินี่ย เราต้องหมั่นเจริญสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้เพราะถ้าเราคิดแล้วใจจะไม่สงบใจไม่สงบแล้วจะไม่มีความสุขจะมีความทุกข์แล้วอาจจะทนอยู่ทนรักษาศีลต่อไปไม่ได้อย่างญาติโยมมาถือศีลแปด น, 8, นี่ตอนเย็นๆ น, นี้ใจไม่ค่อยสงบนะมูแต่คิดถึงอาหารเย็นอยู่เลย ถ้ามีสติก็คอยห้ามมันได้เขาถึงต้อ ง, ต, องต้อนญาติโยมให้เข้าโบสกันตอนเย็นจะได้มันม า, มานั่งคิดฟุง้งซ่านคิดถึงอาหารต่างๆพอเข้าโบทก็ให้ไปสวดมนต์สวดสวดมนต์เสร็จก็ให้นั่งสมาธินี่คือวิธีเจริญสติไม่ให้ปล่อยใจให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ถ้าไม่ได้ไปเข้าบสนี้ไปนั่งจับกลุ่มคุยกันเดี๋ยวก็คุยเรื่องขนมนมเนยคุยเรื่องอาหารขึ้นมาพอคุยแล้วทีนี้ก็น้ำลายไหลไม่ได้กินก็เศร้านี่คือถ้าพอไม่มีสติอยเห็นพอพอพอมีสีแล้วต้องไปอยู่ที่เงียบๆต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปอยู่ใกล้ ที่ที่มีรู ป, รปเสียงกลิ่นรสเพราะถ้าได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วความอยากมันจะโผล่ขึ้นมาเช่นถ้ารักถือถือสินแปดอยู่ที่บ้านนี่พอตอนเยน็นๆคนที่เ็าไม่ถือสินแปดเขาทำกับข้าวกันเขากินข้าวกันนี่เราได้กลิ่ น, นอะไรนี่มันก็จะหิวขึ้นมาทันทีแล้วยิ่งถ้าเขาเป็นห่วงเราเขามาชวนเราอมากินแทะ เดี๋ยวเราก็จะทนไม่ไหวตาบะแตกศีนขาดเนะี่ยผู้ที่ถือศีนแปดจริงๆจึ ง, จ ง, จงต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจาการูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่บ้านมันอยู่ใกล้เกินไปต้องไปอยู่วัดเพราะวัดนี้จะคอยกําจัดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ให้เข้าไปในวัดเนะี่ยวัดที่เเข่งๆนี่เขาไม่ให้อะไรมีอะไรเข้าไปเลยแม้แต่มือถือเขาก็ไม่ให้เอาเข้าไป พอมือถือนี่มันก็มีรูปมีเสียงนะเดี๋ยวเปิดขึ้นมาเดี๋ยวก็เห็นรูปเห็นได้ยินเสียงขึ้นมาก็เกิดความอยากขึ้นมาออกบางวัดนี้เขาห้ามมือถือห้ามทีวีห้ามอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมาลบกวนใจในการเจริญสตินั่นเองเพื่อที่จะได้หยุดความคิดทำใจให้สงบเพราะว่าถ้าทาใจให้สงบได้แล้ว จะมีความสุขที่ดีกว่าได้กินอาหารได้ดูได้ฟังอะไรต่างๆอย่างนั้นต้องทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จเวลาให้กับการฝึกสติให้ได้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปทางนี้ถ้าไม่ฝึกสติไม่ทุ่มเทให้กับการเจริญสติจะไปไม่รอดจะไปไม่ถึงฝั่ง เพราะสตินี้เป็นเหมือนเครื่องมือหรือเป็นเหมือนเรือถ้ามีเรือก็พายไปได้เดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางถ้าไม่มีเรือลอยคออยู่ในน้ำเดี๋ยวก็จมน้ำตายเห็นต้องเหมือนฝึกสติอยู่เรื่อยๆพอไปปีกวิเวกไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมาคอยหยุดความคิดอย่าปล่อยให้มันใจคิด พอใจก็จะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเป็นส่วนใหญ่เคยคิดอยู่กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสมาตลอดตั้งแต่เกิดพออยู่ดีๆจะบอกมันไม่ให้คิดนี้มันไม่ยอมวิธีที่จะทำให้มันไม่คิดต้องใช้สติใช้การเจริญสติคือบังคับให้มันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งบังคับบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธ หรือให้อยู่กับบทสวดมนต์หรือให้อยู่การฟังเทศฟังธรรมร อ, อย่าปล่อยให้จิตใจมันไม่มีอะไรมาคอยควบคุมเพราะถ้าไม่มีอะไรควบคุมเดี๋ยวมันก็จะพิคิดหารูปเสียงกลิ่นรสทันทีพอคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาพอความอยากโผล่ขึ้นมาความหงุดหงิดลำคาญใจก็โผล่ขึ้นมาจนจะทาให้ทนอยู่ในวัดต่อไปไม่ได้ ก็จะขอลากลับบ้าน <Yeah. S 1> แต่ถ้าฝึกสติได้คอยควบคุมความคิดได้ใจไม่ไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใจอยู่กับอารมณ์ของธรรมไม่ว่าจะเป็นกา ร, รบริกรรมพุทโธพุทโธหรือเป็นการสวดมนต์บทสวดมนต์หรือเป็นการฟังเทศฟังธรรมหรือเป็นการอ่านหนังสือธรรมะอารมณ์เหล่านี้จะไม่ทาให้เกิดความหิวเกิดความอยาก จะไม่ทำให้เกิดความหงุดหงิดลำคาญใจจะทำให้ใจเย็นใจสบายใจเบาแล้วจะเป็นเครื่องมือสำหรับการนั่งสมาธิต่อไปพอมีสติแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้อย่างสบายจะไม่รู้สึกอึดอัดถ้าไม่มีสตินี่นั่งสมาธิจะรู้สึกอึดอัดแน่นตรงนั่นแน่นหน้าอกแ น, น, น, น่นจิแน่น่นที่อ่ ที่ศีรษะแน่นที่หน้าผากขึ้นมาแต่เวลาดูหนังทีวีไม่นั่นดูละครไม่นั่นนั่งดูได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่พอต้องมานั่งพุโทโธพุโทโธไม่ถึงนาทีเริ่มรู้สึกแน่นหน้าอกปวดศีรษะขึ้นมาทันทีนี่เป็นเพราะว่าสติมีกําลังน้อยสู้กิเลสไม่ได้ กิเลสนี่แหละเป็นตัวผลิตความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มาหลอกเราเองจริงร่างกายมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่ากิเลสนี้มันสามารถหลอกจิตให้ผลิตอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาทำให้ไม่สามารถนั่งได้นั่งได้5นาทีก็ยอมแพ้แล้วแต่ถ้ามีสติดีๆนี่ถ้านั่งแล้วอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียว เลยอยู่กับลมหายใจไปอย่างเดียวไม่ไปสนใจกับเรื่องอะไรต่างๆที่จะมาสัมผัสรับรู้ไม่ว่าจะเป็นความคิดถึงอะไรก็ตามถ้าใจอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเลยอยู่กับการดูลมหายใจไปใจก็จะสงบขึ้นไปตามลำดับแล้วในที่สุดก็จะนิ่งเต็มที่พอใจสงบใจนิ่งใจก็จะปล่อยลมปล่อยพุทธโธ ใจก็จะอยู่กับความว่างอยู่กับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่านาัตสันติบะลังสุ ข, ขังสุขเอิญที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนี่แหละคือลถแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงก็คือลถของความสงบนี่เองจะเข้าถึงลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงนี้ได้ต้องอาศัยสติต้องอาศายัออาศายศีล ต้องมีศีลสนับสนุนให้มีเวลามาปฏิบัติมาเจริญสติต้องอาศัยสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกแล้วก็ต้องอาศัยการควบคุมการรับประทานอาหารไม่ควรรับประทานอาหารมากเกินไปถึงแม้จะรับประทานเพียงเที่ยงวันก็ไม่ควรจะรับประทานเผื่อมื้อเย็นแต่รับประทานมากมันจะทาให้ขี้เกียจ แล้วจะทําให้ง่วงเหงาเหานอนเ้วจะทําให้หิวง่ายยิ่งกินมากมันยิ่งหิวง่ายขึ้นแต่ถ้ากินน้อยท้องเบาความง่วงเหงาเหานอนก็จะไม่มีความเพลยงก็จะมาง่ายอันนี้ต้องควบคุมการบริโภคอาหารต้องถือสารวมตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการถือศีลแปด ต้องไปปีกวิเวกไปอยู่ที่สงบอ่างไกาจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ต้องมาฝึกสติมาเจริญสติตลอดเวลาเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาปั๊บนี่ต้องมีอะไรควบคุมความคิดล้วอย่าปล่อยให้คิดเนี่ยใช้พุโทโธไปก็ได้ทําอะไรก็พุโทโธไปอาบน้ําก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไป รับประทานอาหารก็พุทธโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสไปนันขาดอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วเดี๋ยวมันจะถูกถูกหลอกให้ไปกังวลไปห่วงใยไปอยากแล้วใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติทำต่อไปได้แต่ถ้ามีสติคอยกาจัดความคิดต่าง ไม่ให้ปรากฏขึ้นมาใจก็จะเบาจะว่างจะเย็นจะสบายแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะสงบง่ายนั่งห้านาที10บนาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้พอจิตสงบแล้วเทนี้ก็จะไม่อยากได้อะไรแล้วเพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากได้เงินมาเป็นร้อยล้านพันล้าน ก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ได้เป็นนายกได้เป็นอะไรก็สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้ได้รางวัลเหรียญทองกี่เหรียญก็สู้ความสงบนี้ไม่ได้ได้ไปเที่ยวที่ไหนมากน้อยเพียงไรไปเที่ยวทั่วโลกก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้พอได้ความสุขแบบนี้แล้วจะเบื่อกับความสุขแบบอื่นทีนี้จะมี กำลังใจที่จะมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นไป <t itt ain> ทีนี้ไม่ต้องมีใครมาชวนไม่ต้องมีใครมาบังคับแล้วมันจะมาของมันเองมันอยากจะมาเพราะรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเมื <t> ่อม <t> ีรถแห่งธรรมแล้วความยินดีในรถแห่งธรรมมันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีความยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวง จะไม่คิดที่จะไปเที่ยวแล้วจะไม่คิดที่จะไปช้อปปิง้งซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆซื้อรถเก๋งราคาคันละยี่สิบล้านสามสิบล้านไม่ซื้อให้เสียเวลาซื้อแล้วมาเป็นภาระกับจิตใจต้องมาคอยกังวลต้องค อ, อยดูแลรักษาความสุขที่ได้จากซื้อของมาได้เดี๋ยวเดียวแล้วก็หายไป แต่าละที่มากดดันจิตใจมันจะอยู่ตราบใดที่ยังมีข้าวของเหล่านั้นอยู่ เ, เมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วต่างกันเหมือนฟ้ากับดินผู้ที่ได้สัมผัสกับความสงบแล้วนี้จะไม่อยากจะได้อะไรอีกต่อไป นี้จะพุ่งเข้าหาวัดอย่างเดียวมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะไปอยู่วัดไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมอยู่บ้านมีเวลาว่างก็จะนั่งสมาธิเวลาทำงานทำการก็พยายามฝึกสติคอยควบคุมความคิดควบคู่ไปกับการทางานแล้วต่อไปก็จะเบื่องานถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินก็ไม่รู้จะหาเงินไปทาไมเพราะการหาความสุข ที่ได้จากความสงบนี้ไม่ต้องใช้เงินทองไม่เหมือนกับความสุขอย่างอื่นนี้ต้องเสียเงินทองไปดูหนังฟังเพลงก็ต้องใช้เงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ต้องใช้เงินซื้อมานั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าไม่ต้องใช้เงินเมื่อไม่ต้องใช้เงินก็ไม่รู้จะไปทำงานให้เสียเวลาทำไมก็ลาออกจากงานดีกว่าจะได้มีเวลาไปสร้างความสุขทางใจเพิ่มให้มากขึ้นนั่นเอง นี่คือผลที่จะตามมาจากการที่เรามารักษาศีลกันรักษาศีลนชนิดต่างๆเริ่มต้นถ้าเราไม่เคยมีศีลเลยเราก็ต้องมาเรื่องที่ศีลห้ากันก่อนพยายามรักษาศีลห้าให้เป็นจจนิจศีลือเป็นศีลปกติเป็นศีลประจำตัวรักษาตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะวันพระหรือวันที่มาวัดรักษาทุกวัน พอรักษาศีลห้าได้ก็มาหัดรักษาศีลแปดในวันพระพอรักษาศีลแปดได้ในวันพระก็หัดภาวนาไปควบคู่กันไปแล้วพอเห็นผลจากการถือศีลแปดจากการหัดภาวนาก็อยากจะทําเพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันแล้วพอยิ่งทํามากผลก็ยิ่งปรากฏมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็อยากจะทําทุกวันก็ไปบวชกัน เป็นผู้ชายก็ไปบวชเป็นพระเป็นผู้หญิงก็ไปบวชเป็นชีหรือเป็นบูบาสิกาแล้วแต่ได้ทั้งนั้นขอให้มีเวลาปฏิบัติเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของศีลขั้นต่างๆเพื่อที่จะดึงจิตใจให้ออกจากการวุ่นวายกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองให้มาหาความสุขทางใจ พอได้สัมผัสกับความสุขทางใจแล้วก็จะรู้ว่าอันไหนดีกว่ากันพอรู้แล้วเทนี้ไม่ต้องถามใครไม่ต้องมีใครมาชวนไม่ต้องมีใครมาบอกมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะไปปฏิบัติธรรมทันทีเดี๋ยวต่อไปก็จะปฏิบัติตลอดเวลาพอปฏิบัติตลอดเวลาผลก็คือมากผลนี่ผ่านขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมา ปรากฏเป็นพระโสดาบันพระสกิรดาคามีพระอนาคามีพราะอารหันต์พระนิพพานในที่สุด น, นี่คือเรื่องของศีลในพระพุทธศาสนาเป็นบันไดเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตใจได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทางปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยาถาวารรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกับปติอิธิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติระโสยธาสัพ so พิติโยวิวาจจัน so ตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตโตอันตรายโยสุขีทีชายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตรมมารโอธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลาังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ c e b o o k 360 y o ย t u b e 296 วิทยุออนไลน์15รับฟังบนเขาว51รวม722ค่ะ So we have 7 2 0 people watching right now. อตอนนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามมีใครอยากถามอะไรก็ถามได้พอดีวันนี้เวลาหมดพอดีสำหรับญาติโยมที่ส่งคำถามมาก็ต้องขอเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้